สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้า น, นครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเพเยซูตอนที่536เรื่องระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่41พี่น้องครับพระเจะของพระเจ้าในวันนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลแห่งความเชื่อหรือที่เรียกว่าบรรพชนแห่งความเชื่ออีกท่านหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากและเด็กๆเด็กๆทุกคนรู้จักครับและท่านผู้นั้นมีชื่อว่าโนอา พระเจ้านะของพระเจ้าในฮีบรูบทที่สิบเอดข้อที่เจ็ดนะครับข้อที่เจ็ดจนถึงข้อที่สิบสองโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าเพราะโนอาห์มีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเตือนให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้รอดพ้นจากความตายและด้วยเหตุนี้เองท่านจึง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 และยาโคบซึ่งเป็นทายาด้วยกันตามพันัญญาอันเดียวกันนั้นท่านได้เฝ้ารอคอยนครที่ตั้งบนรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นนายช่างและทรงเป็นผู้สร้างเพราะนางซาร่ามีความเชื่อนางจึงได้รับพลังตั้งคันเมื่อชารามากแล้วเพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ได้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงเป็นผู้สับซื่อเหตุฉะนั้นจากชายคนเดียวซึ่งเกือบจะ ก, กล่าวได้ว่าเป็นเสมือนคนที่ตายแล้วนั้น ก็ได้ทําให้มีผู้สืบเชื้อสายเกิดมามากมายดั่งดวงดาวในท้องฟ้าและเป็นดั่งเม็ดทรายอันนับไม่ถ้วนที่ฝั่งทะเลพี่นะครับผมอ่านยาวมาจนกระทั่งถึงชีวิตของอับราฮัมนะครับแต่ว่าในวันนี้จะโฟกัสอยู่ที่ชีวิตของโนอาโนอานั้นเป็นคนในสมัยโบราณครับถามว่าคนในสมัยโบราณนั้นใช้อะไรเป็นตัวแบ่งคําตอบก็คือใช้อายุเป็นตัวแบ่ง นะครับใช้การเกิดน้ําท่วมโลกเป็นตัวแบ่งเพราะเนื่องจากอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าอายุของคนในสมัยโบราณนั้นยาวมากครับนะครับยังอาดัมมีอายุ931ปีนะครับคนที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในพักกัมพีนั้นก็คือเมทูเสยลา969ปีนะโนอาก็จัดอยู่ในนั้นครับแต่หลังจากน้ําท่วมนะครับนะหลังจากน้ําท่วมโนอานั้นก็ โดยพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่อนุญาตให้คนมีอายุเกินหนึ่งร้อยยสิบปีโดยเฉลีย่ยพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองทำให้เราเห็นถึงความเชื่อของโนอาขณะที่โนอานั้นเป็นคนในสมัยโบราณนะครับการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าก็ไม่ได้มากมายอะไรส่วนใหญ่แล้วพระเจ้าก็พูดตรงกับเขานะครับไม่มีการบันทึกหนังสือหลักฐานเอกสารอ้างองิงใดๆที่จะบอกว่าหนังสือเล่ม น, นี้คือพรจ้ของพระเจ้าเอกสารชิ้นนี้ คือเพราะเจนะของพระเจ้านะครับไม่มีหลักฐานใดๆปรากฏอยู่ในบระวัตารและในโบราณคดีจะยังก็ตามครับพัอพี่บอกว่าโดยความเชื่อเมื่อพระเจ้าทรงเตือนโนอาถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏท่านก็มีใจเกรงกลัวนะครับเกรงกลัวพระเจ้าจัดแจงต่อหน้าว่าหรือต่อเรือเพื่อช่วยครอบครัวของท่านให้รอดและด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้ปรับทุกข์ปรับโทษครับนะครับขอโทษครับไม่ใช่ปรับทุกข์นะครับปรับโทษหรือติเตียนชาวโลก และท่านจึงได้เป็นท า, าิแห่งความชอบธรรมซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อผมอยากให้พี่น้องสังเกตนะครับว่าลีที่บอกว่าโดยความเชื่อนะครับต่อไปด้วยโนอาห์จัดแจงต่อนาวาและได้เป็นทาตาแห่งความชอบธรรมซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อเพราะว่าโนอาห์นั้นเชื่อคำสั่งของพระเจ้าครับท่านจึงได้ทำสิ่งที่พระเจ้าสั่สั่งให้เขาทาพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งนะครับ เพราะโนอาเชื่อคำตรัสของพระเจ้าท่านจึงทำสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้ท่านทำ <flattering> ความเชื่อฟังนะครับที่มีต่อพระเจ้าเกิดจากความเชื่อที่มีในพระเจ้าความเชื่อฟังที่มีต่อพระเจ้านั้นเกิดจากความเชื่อที่โนอามีในพระเจ้าดังนั้นในทางกลับกันนะครับการไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็เกิดจากการขาดความเชื่อนั่นเองพี่น้องครับการเชื่อฟังแสดงออกด้วยวิธีอะไรครับก็คือ ทำครับกระพฤตินะครับทําตามสิ่งที่เชื่อหรือทําตามความเชื่อของตัวเองนี่นะครับคือการเชื่อฟังพีนะครับความเชื่อมีหลายแบบนะครับความเชื่อแบบมารชาตานความเชื่อแบบคนไม่มีพระเจ้าความเชื่อแบบคนที่รู้ว่ามีพระเจ้าแต่ไม่เชื่อว่าพระเจ้าอยู่ใกล้มนุษย์และติดต่อกับมนุษย์ก็มีพี่น้องครับคะที่เราอยู่ในความเชื่อหลากหลายความเชื่อที่นําไปสู่ความรอด ก็คือความเชื่อที่แสดงออกด้วยการประพฤติและด้วยการกระทํายากรอบนะครับในพระธร ร, รมยากบยากบมักจะเน้นเสมอว่าจงพิสูจน์ให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติและข้าพเจ้าจะพิสูจน์ให้ทั่นเห็นถึงความเชื่อที่มีการประพฤติเพียงครับแสดงว่าความเชื่อที่ไร้การประพฤตินั้นก็ไร้ประโยชน์ไร้ผลความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติไม่ได้หมายถึงความเชื่อจริงความเชื่อแท้แต่เป็นความเชื่อ ในลักษณะว่าเชื่อว่ามีพระเจ้ามาสาตานก็เชื่ออย่างนั้นครับหลายหายคนก็เชื่อว่ามีสั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้แต่เวลาแนะนําพระเจ้าให้เขารู้จักเขาเองก็ปฏิเสธนี่คือถึงยิ่น่าเสียดายเสียใจมากนะครับพี่น้องครับกลับมาดูของโนอาขณะที่พระเจ้านั้นได้บอกเขาเขาตอบสนองด้วยความเชื่อฟังพ่ออีจึงเรียกว่าโนอานั้นมีความเชื่อโนอานั้นเชื่อคําสั่งของพระเจ้า นะครับอย่างไรบ้างประการแรกครับเมื่อพระเจ้าทรงเตือนโนอาถึงเหตุการณ์ที่ไม่ปรากฏท่านมีใจเกรงกลัวพระเจ้าจัดแจงรีบต่อนาวาเราจะเห็นนะครับว่าประโยคนี้เราจะเห็นประการแรกก็คือว่าสิ่งที่ยังไม่ปรากฏให้เห็นนั้นก็หมายถึงตอนนั้นฝนยังไม่ตกครับเพียงครับถ้าเรากลับไปดูในพระธรรมปฐม ก, กาลเราจะเห็นนะครับว่าพระพีได้บันทึกนะครับว่าน้ําที่อยู่ในโลกนี้นะครับ มันพุ่งขึ้นจากแผ่นดินครับนะฮะแล้วก็มันอยู่ในภาวะของเรือนกระจกก็คือความชื้นนะครับในอากาศนี่สูงมากเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตนั้นก็อายุอย่ยืนยืนนานนะครับต้นไม้ก็ใหญ่โตนะครับเหมือนกับต้นสุงนะครับหรือว่าต้นสุงนะครับก็คือต้นไม้ที่ใหญ่โตมากนะครับในสมัยโบราณเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าในยุคนั้นนะครับ น้ำมงน้ํามันนะครับที่อยู่ใต้ดินนะมีเยอะแยะมากมายมหาศาลเพราะว่าต้นไม้นลมตายนะครับและกระทับถมกันกลายเป็นน้ํามันกลายเป็นทรัพยากรที่อยู่ในดินแล้วกลับมาดูโนอานะครับเมื่อโนอานั้นได้รับการเตือนจากพระเจ้าโนอานั้นแสดงออกถึงการเชื่อฟังเพราะเนื่องจากว่าท่านยังไม่เคยเห็นฝนตกเลยเพราะฉะนั้นการประกาศอธิคุณนะครับของโนอานั้นก็ทําให้คนอาจจะไม่เชื่อฟังหรือเยาะเย้ยนะ เพราะว่าเขาบอกว่าฝนจะตกน้ําจะท่วมโลกฝนไม่เคยตกน้ําจะท่วมโลกได้อย่างไรจริงนะครับนี่คือสิ่งที่คนในสมัยโนอานั้นมีจิตใจดื้อดึงนะครับเพราะว่าสิ่งที่ยังไม่ปรากฏให้เห็นนะครับก็คือฝนนะสิ่งที่ยังไม่ปรากฏให้เห็นก็คือฝนเพราะฉะนั้นการที่โนอาห์บอกว่าฝนจะตกพวกเขาไม่เชื่อครับเหมือนกับเราในสมัยนี้นะครับเราบอกว่าไม่เชื่อพร ะ, พระเยซูนะครับเราจะตกนรกคนที่ไม่เชื่อพระเยซู เขาก็ไม่เชื่อว่าจะมีนรกเพราะฉะนั้นจึงไม่เกิดความเชื่อแป่ถึงอย่างไก็ดีครับโนอาเชื่อพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ท่านเชื่อว่าจะเป็นไปตามที่พระองค์ตรัสไว้อย่างแน่นอนนะครับประการที่สองครับเพราะว่าท่านเชื่อในพระดํารัสท่านจึงมีใจเกรงกลัวและจัดแจงรีบต่อนาวานะครับเราจะเห็นนะครับว่าประการแรกนะครับก็คือสิ่งที่ยังไม่ปรากฏเห็นก็คือฝน นะครับประการที่สองเราเห็นว่าเมื่อท่านเชื่อคำสัตว์ท่านก็ทําครับโนอาในฐานะผู้เป็นผู้ประกาศความชอบธรรมนะครับใช้เวลาหนึ่งร้อยยี่สิบปีครับในการประกาศเตือนชาวโลกที่อยู่รอบตัวท่านให้กลับใจเสียใหม่นะครับใช้เวลาหนึ่งร้อยี่สิบปีในการต่อเรือครับนะียพวกเขาไม่ฟังโนอาจริงแล้วพวกเขาก็คือไม่ยอมเชื่อคําสัตว์ของพระเจ้านั่นเองด้วยเห็นนี่เอง การที่พวกเขาขาดความเชื่อนะครับโนอาจึงได้ติเตียนและได้กลับโทษโลกพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับว่าเพราะว่าโนอาเต็มใจเชื่อฟังคําสั่์ของพระเจ้าโดยความเชื่อนั่นเองท่านจึงได้เป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อโดยความเชื่อนี่นเองท่านก็กลายเป็นทายาทของเอโนนะครับในขณะที่เอโนก็เป็นทายาทของ อาเบลและต่อไปก็จะเป็นอับราฮัมซึ่งเป็นทายาทโดยความเชื่อผ่านโนอาพี่น้องครับพวกเราทุกคนเป็นที่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นเราก็เป็นทายาทของกันและกันเราส่งผ่านความเชื่อที่มีต่อกันนะครับด้วยการแสดงออกของความเชื่อคือการเชื่อฟังอย่างสุดจิตสุดใจและนี่คือรากฐานของคริสเตียนครับ รากฐานของคริสตนที่แท้จริงก็คือเขาต้องมีความเชื่อที่แสดงออกด้วยการประพฤติหากไม่มีการประพฤติความเชื่อนั้นก็ไร้ประโยชน์ไม่ถึงที่รอดอาเมน